การบำเพ็ญทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกับเราทำมาขายเรื่องธีรทําทำการค้าขายหรือจิตการต่างๆของเราแต่กิจการต่างๆนั้นมันมันก็ไม่แน่นะหากทำให้ผู้ทำได้มีความเพลินเช่นการค้าขายยิ่งมีรายได้มากเพียงไรก็ยิ่งทำให้ผู้ค้าขายนั้นมีแก่จิตใจมีแก่จิตแก่จจใจ ก็เพินดูดดื่มมีความอุตสาห์พยายามที่ต้องทำมีจิตใจฝักใฝ่อะไรทธิมาทั้งสี่ก็ไปรวมมีที่นั่นเหมือนกันคือพอใจในงานของตนเองพอเห็นผลลายได้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันไม่มีอะไรผิดกันแต่ผลปรากฏภายในจิตใจเท่านั้นไม่ได้ปรากฏออกมาเป็นด้านวัตถุเช่นเดียวกับงานทั้งหลายมีการค้าขายเป็นต้น อันหนึ่งเป็นงานจิตใจเป็นงานทางด้านจิตใจเป็นผลที่เกิดขึ้นทางด้านจิตใจรู้เห็นอยู่ทางด้านจิตใจอันหนึ่งเป็นด้านวัตถุขนขวายทางด้านวัตถุปรากฏไปรู้เห็นได้มาเสียไปทางด้านวัตถุแต่อย่างไงก็ตามเมื่อมีผลรายได้ปรากฏขึ้นจากงานนั้นๆแล้วผู้ทําก็เสนอให้ มีความดุดดื่นหรือพออบพอใจขยันหมั่นเพียรต่อกิจการนั้นไม่มีความคิดอ่านใจกลองไปด้วยความพอใจงานทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันผู้ทําการค้าขายที่แรกก็ย่อมไม่ค่อยทราบเอามีขาดทุนบ้างเป็นธรรมดาบางทีก็เสียท่าเสียทีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้าง ที่มีความผิดพลาดไปมากน้อยอย่างไรนั่นมันก็กลับมาเป็นครูเครื่องท่าสอนตนเองให้มีความฉลาดและอุดช่องโหว่เข้าไปโดยลำดับต่อไปก็มีความรอบผอบและทานกับเหตุการณ์ทางด้านธรรมะก็เช่นเดียวกันการ<ม>ปฏิบัติที่แรกผลไม่ค่อยปรากฏเพราะเรากําปั้นตีดินเนี่ยใส่เข้าไปปึ่งตั้งปึ่งตั้งสติไม่ทราบเป็นไงปัญญาไม่ทราบเป็นไงเห็นท่านเดินยังกรมก็เดินกับท่านนั่งภาวนาก็นั่งกับท่าน เห็นท่านทํเราก็ทำแต่อาการของิที่ท่านทำงานนั่นแสดงในงานนั้นเราไม่มองเห็นเห็นแต่กิจยาภายนอกคือเดินจงกรมนั่งสมาธิเป็นต้นเราจึงไม่ทราบวิธีการอันนี้ก็เรียกว่ามีผิ ด, ม, ผดมีพลาดเป็นธรรมดาผลไม่ค่อยปรากฏทำมาผิดจากหลักนั่นแล้วผลก็ไม่ค่อยจะปรากฏเราก็ทาให้ของขี้เกียจเพราะไม่ปรากฏผ ล, ลายได้ขึ้นมา หน่วยนะการอบรมจากครูจากอาจารย์โดยสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่เคยรู้หรือสิ่งที่เราผิดพลาดไปก็ทําให้ระลึกได้วเราทําอย่างนั้นผิดไปท่านสอนในนี้เป็นความแน่ใจเป็นความมั่นใจเราก็พยายามนําวิธีที่ท่านสอนโดยทางที่ถูกนั้นเอาไปยึดปฏิบัติ ด, ดําเนินตามผลก็ไม่ปรากฏขึ้นมานักนี่เรียกว่างานทางใจการเดินยังกรมนั้นเป็นอริยาบทุนของส่วนร่างกาย การนั่งสมาธิก็เช่นเดียวกันแต่งานของจิตจริงๆนั้นคือกิริยาของจิตที่คิดอ่านแต่ตรองหรือกำหนดหน้าที่การงานของตนให้อยู่ในช่องทางไม่ผิดจากไปนอกรูนนอกทางนี่ชื่อว่างานของจิตซึ่งขั้นเริ่มแรกเรากำหนดพุทโธก็ตามอนาปานสติก็ตามมีสติระลึกรู้อยู่กับงานของตนนั้นเท่านั้นนี่เรียกว่าเราทำงานในวงเฉพาะยังไม่กว้างขวางพอยังไม่ทราบไม่สามารถสติปัญญายังไม่พอ ก็ต้องทําตามจุดเฉพาะนี้ก่อนเมื่อตัง้งหน้าตั้งตาทาโดยเฉพาะไม่คาดหน้าคาดหลังอดีตอนาคตให้มีปัจจุบันเป็นจุดที่ทํางานใจก็ย่อมได้รับความสงบเมื่อใจรับความสงบผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากใจสงบเป็นอย่างนี้นานเริ่มทราบแล้วผลของางานเริ่มปรากฏขึ้นมาแล้วหัวนั่งก่อนเด็ดพยายาม แล้วเป็นเชื่อแห่งความเชื่อความนิสัยขึ้นมาแราวเป็นสายทางอันหนึ่งที่จะให้มีการติดตามผลงานของตนที่ผ่านมาแล้วนั้นให้เป็นผลงานขึ้นในปัจจุบันอีกในวาระต่อมาต่อมาเป็นลแบบําดับในวาระต่อไปเป็นลแบบําดับนี่เรียกว่างานของจิตและผลงานของจิตในขั้นนี้ แล้วการทำอยู่โดยสม่ำเสมอด้วยความตั้งใจสำคัญที่ความตั้งใจสำคัญที่สติไม่ไม่ขึ้นอยู่กับว่าเราเคยทำมาหลายปีหลายเดือนเราเคยเป็นครูเป็นอาจารย์คนเราเคยเรียนมากศึกษามากเราเคยได้ยินได้ฟังมามากไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับปัจจุบันธรรมในขณะที่ทำอย่างเดียว แล้วไม่ขึ้นอยู่กับควาว่าเราโง่เราชั่วลาเหล่านี้ไม่ขึ้นทั้งหมดแต่มาขึ้นอยู่กับวงเฉพาะคืองานที่ตนทํำในรันในขนาดนั้นชัติได้อยู่กับงานนั้นหรือไม่มีความสืบต่อกันประการใดบ้างหรือขาดว่าขาดตอนไปอย่างไรบ้างนี่เราสังเกตตรงนี้เรียกว่าเป็นผู้ประกอบงานโดยความสืบต่อความพิพจารณาคือความมีปัญญารอบอยู่ ตามฐานะแห่งปัญญาของเรานีม่มีสติคุณนในงานเอาขั้นสติสักก่อนว่ามีสติกระลึกรู้อยู่ในวงงานของเราเท่านั้นเมื่อการทำอย่างนี้นั้นผลนีว่าไม่ค่อยจะผิดพลาดไปถ้าผิดจากที่ว่านี้ไปแล้วไม่ค่อยได้ผลยังคี่ ไปพินกับสิ่งนั้นไปอิงกับสิ่งนี้อยู่มีการศึกษามากรู้มากมีขี้อ่านไตรตรองอะไรตำหนั้นอันนี้ให้ให้ยกเว้นทั้งหมดในขั้นรุ่มแรกจะนําเข้ามาสนใจไม่ได้จะทํางานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทําจนตรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนแล้วความคล่องแคล่วของจิต ก็จะเริ่มปรากฏขึ้นมาคําว่าความคล่องแคล่วหรือความทานานของจิตนี้นั้นไม่ได้เป็นความคาดหมายของผู้ทำความคาดหมายเอามาใช้ในวงปฏิบัตินี้ไม่ได้เลยพูดง่ายๆเอาอย่างนี้เพื่อเป็นที่เข้าใจสําหรับท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายต้องเป็นเรื่องธรรมชาติทานานก็ปรากฏความคล่องแคลวในตัวเองไม่ใช่ทานานด้วยความคาดความหมายสติเร็วยังไงบ้างช้าอย่างไรบ้าง ปัญญารวดเร็วหรือช้าอย่างไรบ้างมีความละเอียดละอออย่างไรบ้างขณะที่กัง น, นดจิตอารมณ์ก็จิตมีส่วนหยาบส่วนละเอียดอย่างไรบ้างในวันนี้ในขณะนี้สติรู้อยู่เสมอนี่ให้นี่เรียกว่าไม่คาดไม่เดารู้โดยหลักธรรมชาติถ้าสติจะทันกันก็ให้ทันในหลักธรรมชาตินี้เมื่อความจำนานของ ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชา ต, ต, ต, ติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเองเลื่อยไปเลื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติการินเมื่อได้ดําเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องหรือในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปรากฏผลขึ้นมาเล ย, เลยแต่เคยมีความฟุ้งซ่านบุมบาขนาดไหนทยศขนาดไหนก็เถอะ ความพย์นั้นเป็นเรื่องของกิเลสเราก็ทราบกันแล้ว ก, 5, ลการดัดพยศนั่นก็คือธรรมเวลานี้เราเราบําเพ็ญธรรมเพื่อการดัดกิเลส ด, ดัดความประย์เหล่านั้นน่ะเมื่อกําลังพอกันแล้วความประยศนั้นมันก็ลบตัวของมันลงไปเองถ้าติดปัญญาก็ค่อยทันกันไปโดยลำดับ น, นี่เรียกว่างานงานของจิต ผลแห่งงานได้จากความสงบร่มเย็นเป็นสุขมีความคล่องแคล่วภายในกิตใจคล่องแคล่วด้วยสติคล่องแคล่วด้วยปัญญาคล่องแคล่วด้วยทําความภาคเปลี่ยนไม่อิดอาเหน่วยน่ายเพราะผลเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้มีความขยันหมั่นเพียรนี่เป็นผลตอนหนึ่งระยะต่อไปก็เริ่มแหนขึ้นไปเรื่อยเช่นเดียวกับเด็ก ค่อยโตขึ้นมาโตขึ้นมาเพราะการบำรุงรักษาโดยถูกต้องจิตใจเมื่อได้รับ ก, การบำรุงรักษาโดยถูกต้องอยู่โดยสม่ำเสมอก็จ ะ, จะแสดงความคล่องแคล่วแก้วกล้าหรือมีความชำนิชำนาญผลที่ปรากฏก็คือความสงบร่มเย็นปัญญาที่จะสอดส่องมองทะลุ ป, ปัญญาแง่ต่างๆซึ่งเคยไม่เคยรู้เคยเห็นไม่เคยสอดส่องไม่เคยเข้าใจก็จะค่อยเข้าใจไปโดยโดยลําดับๆสิ่งที่มีอยู่ที่พัน ใช้หูใช้ตาตลอดเวลาแต่ไม่มีไม่ไปสะดุดสติปัญญาให้รับภาบให้ค้นคว้าให้พิจิตริจนาให้เข้าใจก็จะรับทาบเพราะจะเข้าใจทั้งทางนอกทั้งทางในจะวิ่งเข้ามาเพราะอนาจของสติปัญญาเป็นเครื่องจะทําให้รับทราบจะเป็นเครื่องให้เข้าใจในสิ่งทั้งหลายมีาำเรียกว่ารู้ในหลักธรรมชาติแห่งธรรมทั้งหลายที่มีอยู่ทั่วไปทั้งภายนอกภายในเต็มโลกเต็มองศาล นี่ก็เรียกว่าการทํางานเรียกว่าผลของงานเป็นลําดับลำดับจะไปอยู่ในสถานที่ใดก็ตามงานนี้ไม่ลดละผู้ปฏิบัติงานเรียกว่าอริยรัพย์คือทราบภายในถึงควายอยู่ภายในตัวใจของตัวเองจะอดจะอิม่มลําบากลําบนอยู่ที่ร่มไม้ภูเขาในตามถาม้าตามซอกเขาที่ไหนก็ตามงานอันนี้เป็นเป็นงานที่ทําอยู่ใน สถานที่นั้นๆไม่ลดละความภาคเพียรผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเป็นไปโดยลำดับ ๆ, ๆเดี๋ยวอริยผลค่อยปรากฏขึ้นมาเมื่อสติปัญญามีความสามารถแก้วกล้าเราจะออกค้นตามล่ากิเลสที่นี่กิเลสไปเที่ยวยุ่งวุ่นวายกับเรื่องอะไรไปเที่ยวกวาดเที่ยว ต้อนอะไรมาผูกมามัดตัวเองมาให้ตนเองเป็นผู้แบบผู้หามเป็นภาระให้กวด่วงมากมายได้จากอุะทานเป็นผู้ไปเจ้าอยึดถือมาวิเล่ก็ตามล่าขึ้ตามล่าคือตามค้นคว้าให้ทราบเหตุทราบผลว่าสิ่ง น, นั้นคืออะไรแล้วไปหลงรักโง่ชังหลงติต ก, กับสิ่ง น, นั้นเพราะเหตุใดอันนั้นคืออะไรค้นดูให้เห็นสภาพนั้นโดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็มาทราบความ คิงของตนอีกว่าเป็นผู้หลงสิงนั้นเพราะตนเป็นผู้พิจารณาให้รู้แล้วก็มาทราบโทษแห่ความเป็นมุงต่โดยลำหนักลำหนักหนี่การพิจารณาในแง่อื่นก็ตามที่จะมาผัดสัมผัสทางหเขาตําหนิเราหรือเขาตําหนิใครก็ตามเขาชมเราหรือชมใครก็ตามความติความชมนั้นเป็นธรรมเป็นโลกธรรมหรือเป็นธรรมหนึ่งอันหนึ่งที่จะเป็นเครื่องสะดุดใจให้เราพิพจารณารู้ ตามความจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามธรรมชาติแถมความตําหนิติดชมของสิ่ง น, นั้นๆหรือของคนนั้นๆนี่เราได้สติปัญญาโดยลําดับเัยมีเรียกว่าเราเรียนให้รู้ความจริงทางตาจะเห็นอะไรพบอะไรเข้าพิจารณาหูทางจมูกทางลิ้นทางกายที่สัมผัสเรื่องอะไรใจปรุงแต่งเรื่องอะไรเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอดิตฐเรื่อง อ, องนาคต ลอดถึงปัจจุบันที่ปรุงแต่งขึ้นมานี้ปรุงแต่งเรื่องอะไรเป็นเรื่องอดีตรหรือเรื่องอนาคตรเรื่องดีหรือเรื่องชั่วมันจะค้นคว้ากันโดยลำหนับลําหนานี่ชื่อว่างานงานของจิตผลที่จะพึงได้รับก็คือความเข้าใจแล้วปล่อยวางสิ่งที่เคยนหนักห่วงท่วงจิตใจมาโดยลำหนับเป็นเวลานานแล้วค่อยปล่อยวางลงได้ด้วยอานาจของสติปัญญาเพราะความเพียรเป็นเครื่องหนุหนหลัง แล้วทราบโดยลํำดับลํำดับเช่นนี้นี่ก็เรียกว่าผลของงานสติปัญญามีความสามารถนี่มีความแกล้วกล้าขนาดไหนงานก็ยิ่งกว้างขวางออกไปคือกว้างขวางหมายถึงว่าเทตามต้อนตามล่ากกิเลสกิเลสคืออะไรก็คือความสําคัญออกไปจากความสําคัญหมายของใ จ, จนี่เองนี่เองแต่ถ้าเราจะว่าความสาคัญมันสำคัญนหมายนี้เป็นกิเลสอย่างเดียว มันก็ไม่ทั่วถึงรายละเอียดต้องไปเปิดเผยอันนั้นให้มันเห็นซะก่อนเช่นมีสิ่งปิดบังไว้ในภาชนะไหนก็ต า, ามย่อมจะเกิดความสงสัยแล้วเป็นอุปทานความยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งนั้นได้จึงต้องไปครี่คลายน้นดูให้ดีรายละเอียดถีถัวนให้จิตได้เห็นว่าเปิดออกมาแล้วมีอะไรอยู่ในนั้นไม่มีอะไรเนี่ยแล้วใครเป็นผู้สำคัญว่าสิ่งนั้นมีสิ่งนี้มีและเกิดความสงสัยและไปยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งนั้นก็คือจาจนะเมื่อ เปิดเผยให้ใจดูแล้วใจก็หายสงสัยแล้วถอนตัวกลับมาถอนตัวกลับมาเนี่ยที่ท่านให้พิจารณาสิ่งภายนอกเพื่ออย่างนี้เองพิจารณาภายนอกแล้วก็ทร า, า, า, าบเรื่องภายในพิจารณาภายนอกแล้วก็ทราบเรื่องภายในถ้าเราจะพยายามให้ทราบแต่เรื่องภายในโดยพิจารณาภายนอกสิ่งที่มีความสงสัยอยู่ภายนอกก็คือจิตมันก็ลงไม่ได้มันถอนตัวของมันไม่ได้เมื่อได้เห็นชัดเจนแล้วมันก็ถอนของมันมาเองอจึงต้องมีทั้งภายในภายนอกเป็นเครื่องประกอบกันไปโดยลําดับ ของการพิจารณาอันนี้เมื่อพิจารณาภายนอกจนตลอดทั่วถึงทราบอย่างกระจัดแล้วไม่ต้องบอกให้องความปล่อยวางแล้วการที่จะไปสนใจกับสิ่งนั้นๆภายนอกมันก็ปล่อยให้มันเองไม่สนใจมีความสัมผัสหรือ ด, ดูดดื่มอยู่ในจุดใดก็จะพิจารณาเข้ามาพิจารณาเข้ามาที่นี้ก็กลายเป็นวงแคบเข้ามาแล้วทีแรกมันกว้างปัญญาในขั้นหนึ่งเหมือนกระทบโลกธาตุจะหวั่นไหว เพราะปัญญามันวิ่งซะเต็มที่กว้างขวางมากมายลึกลึกก็ลึ ก, ล ก, ก, ลกสูงก็สูงกว้างก่็กว้างไปที่ไหนมันพิจารณาไปหมดด้วยความรื่นเริงด้วยความเพลิดเพลินด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งนั้นๆเมื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลํำดั บ, นนบแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ ย, ยง่าง่ายตามล่าที่เหลือของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มซ่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ จกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเข้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลำหนักลำหนักเข้าใจที่ตรงไหนก็ปล่อยวางกันไปเนี่ยถ้าเรียกว่าฆ่าทิเล็กก็ถูกเรียกว่าล่าทิเล็ก็ถูกแล้วก็ขุดคอนสิ่งที่ลี้ลับอันทําให้ใจต้องใสขึ้นมาให้ใจได้รู้ได้เห็น แล้วหายสงสัยก็ถูกแล้วแต่เราจะพูดอย่างไรเหล่านี้เรียกว่าทางานและเรียกว่าผลของงานด้วยกันทั้งนั้นในทางด้านปฏิบัติผลของทำงานของทำจนกระทั่งสติปัญญามีความคล่องตัวนำที่เคยพูดแล้วหมุนตัวเป็นเกลียวทั้งวันทั้งคืนมีความรุนเรึองมันถึงเวย งานและผลของงานที่ได้ก็เหมือนกับเศรษฐีที่เพลินในรายได้นั่นเองอยู่ที่ไหนก็เพลินคิดกันอยู่ตลอดเวลาวิ่งเต้นขนขวายิ่งด้วยเนี่ยเศรษฐีมันยิ่งมีความขายันคนจนเท่า ย, ยิ่งซี้เกียดเนี่ย ผ, ผิดกันนะเศรษฐีแทนที่จะนั่งจะนอนสมายสบายเพรอะไรก็มีอยู่แล้วโดวยสมบูรณ์ไม่เป็นอย่างนั้นพระยิ่งวิ่งเต้นขนขวายิ่งขยันหมั่นเพียรคนที่จนแทนที่จะวิ่งเต้นขนขวายให้ ด้ามากองเขียบกับขี้เกียจน่ะผู้ปฏิบัติก็เหมือนกัรนักธรรมะแต่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรแล้วก็ขี้เกียดพอรู้ไปพอเห็นพอเข้า อ, อกเข้าใจเข้าไปบ้างก็เพิ่มความขายันหมั่นเพียรขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งรู้เข้าออเข้าใจลึกซึ้งเท่าไหร่ยิ่งมีความขายันหมั่นเพียรเป็นกับตาก็ไม่ว่าขอให้รู้ให้เห็นเขอให้ได้ให้ถึงฮมันหมุนตมันไปเองเอาจนกระทั่งลงทะเล้หลวงตะตูหมดสมุดนั่ะเดี๋ยวลงทะเลหลวง นั่นมันก็หมดปัญหาหมนเองเรื่องความภาคเพลียนที่หมุนตัวเป็นเกลียวเรียกว่าธรรมจักนั่นก็หยุดเองจะหมุนไปไหนสิ่งที่จะหมุนจะฟาดจะฟันมันแหลกไปหมดมันก็ไม่มีอะไรที่จะหมุนจะฟาดจะฟันกระฆ่ามันจะแก้เพราะมันแก้หมดแล้วนี่เรียกว่าผลสมบูรณ์อริยผลโสดาปฏิผลสกิทาคามผลอนาคามีผลอรหัตตผลก็ขึ้นไปโดยลําดับลําน่ำลำหน่ะถึงผลสุดท้ายก็ นิพพานสมบัติเนี่ยนะอาหาตัตะผลกับนิพพานสมบัติก็มีอะไรผิดแปกกันเมื่อถึงขั้นอาหาตัตผลโดยสมบูรณ์แล้วก็คือนิพพานสมบัติโดยตรงนี่สมบัติของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลประโดลุลําดับลําดับเนี่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนกิ่ิที่คลุงรังอยู่านในใจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลําดับลําดับ หายแสงมาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธร ร, ธ ร, รมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งโปรกโปรกโซมงจึงต้องกาจัดตัดเตาสิ่งเหล่านี้ออกด้วยอานาจแห่งธรรมทำแก้ทิเลเมื่อแก้ทิเล่นนะทำฝ่ายผลก็แสดงตัวขึ้นมาได้จากจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่นี่เป็นผลแห่งการปฏิบัติ นี่เป็นผลแห่งงานทางด้านธรรมะที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ดำเนินมามีพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกท่านเป็นประธานเป็นผู้ดำเนินมาก่อนจนกระทั่งถึงพวกเรางานนี้ก็ดำเนินไปตามแบบที่เราที่ท่านเคยดำเนินเราดำเนินตามท่านอย่างนั้นไม่ผิดเพราะงานแจ็กกี้เด็กไม่มีลายผิดกันกิเด็กเป็นประเทศเดียวกันกับอยู่ในหัวใจของเราการแจ็กกีเด็กจึงต้องเอาเครื่องมืออันเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิบัาิและแต่ความถนัดของ ผู้นั้นจะมีเจตคติที่สายหนักมาในเอามาฝุดมาค้นอามามาให้เกิดประโยชน์แก่ตนแต่รวมอยู่ในหลักมัทธิมมาอันเดียวกันผลที่ผลได้รับก็คือความบุดพ้นไปโดยลำหนักลำหนักจนกรทั่งถึงบุทพ้นได้โดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือนี่คือผลโดยสมบูรณ์ในทางด้านธรรมะเรียกว่าอาริยผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําทางด้านจิตใจยินขอให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลนํำบทพิจารณา ให้ปรากฏขึ้นพนันในจิตทั้งตนดังที่กล่าวมานี้ยิงขออยู่กี่เพียงเท่านี้